ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งรสเรื่องพระอัตตัดถเถระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระอัตตัดถเถระตรัสพระธรรมเทศนาน้ว่าอัตตะทั่งประเทนะเป็นต้นตอนพระเถระ พยายามบำเพ็ญประโยชน์ความพิสดารว่าเมื่อพระศาสดาตรัสในการที่จวนจะปรินิพานว่าภิกษุทั้งหลายโดยการล่วงไปสี่เดือนแต่วันนี้เราจะปรินิพานภิกษุประมาณเจ0ร้อรูปซึ่งยังเป็นปุถุชนเกิดความสังเวชไม่ละสำนักพระศาสดาเลย เที่ยวปรึกษากันอยู่ว่าท่านผู้มีอายุพวกเราจะทำอะไรหนอแลส่วนพระอัตถทธิเถระคิดว่าข่าวว่าพระศาสดาจากปรินิพานโดยการล่วงไปสี่เดือน <c oughs> ก็ตัวเรายังเป็นผู้มีราคะไม่ไปปรารเมื่อพระศาสดายังทรงประชนอยู่นี่แหละเราจากพยายามเพื่อประโยชน์แก่พระอรหัต พระเถระนั้นย่อมไม่ไปสำนักของภิกษุทั้งหลายลาดับนั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงไม่มาสำนักของพวกกระผมเสียเลยท่านไม่ปรึกษาอะไรอะไรดังนี้แล้วก็นำไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลว่าพระเจ้าค่ะภิกษุรูปนี้ ย่อมทำชื่ออย่างนี้พระอตตะะะทัตเถระนั้นแม้พระศาสดาตรัสว่าเหตุไรเธอจึงทำอย่างนั้นก็กราบทูลว่าพระเจ้าข้าข่าวว่าพระองค์จักปรินิพานโดยการล่วงไปสี่เดือนข้าพระองค์พยายามเพื่อบรรลุพระอรหันตในเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่แหละ ตอนผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาพระศัสดาพระศัสดาประธานสาธุการแก่พระเถรนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความินิหาในเราผู้นั้นควรเป็นดุจอัตถะด้ดวยว่าชนทั้งหลายบูชาอยู่ด้วยวัตถุต่างๆมีของหอมเป็นต้นยอมไม่ชื่อว่าบูชาเรา ส่วนผู้บูชาอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าบูชาเราเพราะฉะนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นก็พึงเป็นเช่นอัตตัฏฐะดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัตตัฏฐงประเทนะบาหุนาปินะห้าปะเยอัตตัฏมะพินยอยะสัดัฐถ์ประสุตโตสียา บุคคลไม่พึงยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียเพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้มากรู้จักประโยชน์ของตนแล้วพึงเป็นผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนตอนแกะอัดเนื้อความแห่งพระกาถานั้นว่าบุคคลผู้เป็นเครหอขัสไม่พึงยังประโยชน์ของตนแม้ประมาณกากรนิกหนึ่งให้เสื่อมเสีย เพราะประโยชน์ของคนอื่นแม้ประมาณค่าตั้งพันทีเดียวด้วยว่าประโยชน์ของตนแห่งบุคคลนั้นแลแม้ประมาณกากะนิกหนึ่งก็ยังของควรเคี้ยวหรือของควรบริโภคให้สาเร็จได้ประโยชน์ของคนอื่นหาให้สำเร็จไม่ส่วนสองบาปพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนั้นตรัส ด, ด้วยหัวข้อแห่งกรรมฐาน เพราะฉะนั้นภิกษุตั้งใจว่าเราจะไม่ยังประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียดังนี้แล้วก็ไม่พึงยังกิจมีการปฏิสังขขอพระเจดีย์เป็นต้นอันบังเกิดขึ้นแก่สงหรือมีอุปชัยวัตรเป็นต้นให้เสื่อมเสียด้วยว่าภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกวัตรให้สมบูรณ์อยู่แล่อยอมทำให้แจ้งซึ่งผลทั้งหลาย มีอริยผลเป็นต้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญวัดให้บริบูรณ์แม้นี้จึงชื่อว่าเป็นประโยชน์ของตนแท้อันหนึ่งภิกษุใดมีวิปัสสนาอันปรารบยิ่งแล้วปราถนาการแทงตลอดว่าเราจะแทงตลอดในวันนี้วันนี้แหละดลังนี้แล้วพระพุติอยู่ภิกษุนั้นแม้ยังวัด มีอุปชัยวัตรเป็นต้นให้เสื่อมแล้วก็พึงทำกิจของตนให้ได้ก็ภิกษุรู้จักประโยชน์ของตนเห็นป่านนั้นคือกำหนดได้ว่านี้เป็นประโยชน์ตนของเราเพึงเป็นผู้เร่งขวนขวายประกอบในประโยชน์ของตนนั้นในการจบเทสนาพระเถระนั้นได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลเทสนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ภิกษุ ผู้ประชุมกันทั้งหลายดังนี้แลเรื่องพระอัตถตะเถระจบอั ต, ตวัคขวรนน า, นาจบวรที่ส2สอง